บ่ายจัดของวันที่แดนับแต่วันบวชขณะที่พระบวเยียวกำลังเดินไปยังกุฏิท่านพระครูเพื่อให้ท่านสอบอารมณ์รถตู้สีครีมใหม่เอี่ยมคันหนึ่งก็แล่นเข้าประตูวัดมามีรถเก๋งสีฟ้าแล่นตามมาติดติเมื่อรถสองคันแล่นเข้ามาจอดคู่กันที่ลานวัดบุรุษสองคนกับสตรีสามคนได้ลงมาจากรถพระใหม่ไม่ทันสังเกตว่า คนไหนลงมาจากขันไหนแต่ที่จำได้แม่นยำคือบุรุษที่เดินนำหน้าคนทั้งสี่มานั้นคือครูที่มาจากนครสวรรค์ผู้ซึ่งออกจากกรรมฐานกลับไปเมื่อสามสี่วันก่อนคนทั้งห้าเดินตรงไปยังกุฏิท่านพระครูและถึงก่อนหน้าท่านเล็กน้อยเมื่อท่านไปถึงและทําความเคารพพระอุปชาแล้วครูใหญ่จึงแนะนำกับคนทั้งสี่ว่า นี่หลวงพี่โบเฮียวอาจารย์สอนกรรมฐานให้พ่อแล้วทั้งหมดจึงก้มลงกราบท่านสามครั้งพระใหม่รู้สึกร้อนๆอนหนาวหนาที่คนเป็นครูใหญ่ยกย่องให้เกียรติท่านถึงปานนั้นอีกทั้งหญิงสาวสองคนที่มาด้วยก็สวยหยาดเยิม้มจนท่านรู้สึกขัดเขินเจเริญพรครูใหญ่ครูบุญมีกับครูอรุณ ไม่ได้มาด้วยหรอกหรือท่านพระครูทักทายกระบวนําจำชื่อคนแม่นไม่มีใครเกินท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่ได้มาครับเพราะโรงเรียนเปิดแล้วตัวผมก็ลางงานมาจะพาครอบครัวมากราบหลวงพ่อแล้วจึงแนะนำสมาชิกทีละคนคุณผ่องพักแม่บ้านของผมสามคนเป็นลูกชื่อผ่องพันธ์วันวิไลชัยชนะ อายุห่างกันคนละปีรีนจบได้งานทำกันแล้วครับท่านพระครูกำหนดเห็นหนอพิจารณาคนทั้งสี่ทีละคนแล้วพูดขึ้นว่านี่คนนี้ฉลาดจะได้เป็นด็อกเตอร์ท่านชี้ไปที่วันวิไลหญิงสาวยิ้มอายๆยกมือขึ้นสาธุพร้อมกล่าวว่าขอให้สมพลปากเถือเจ้าค่ะ พระบวชใหม่แอบชื่นชมในใจว่าเจ้าประคุณเอ้ยรูปก็สวยเสียงก็ใสแถมยังความรู้สูงซะอีกข้างฝ่ายพี่สาวก็สวยไม่แพ้กันนี่ถ้าให้เราเลือกคงเลือกไม่ถูกเซกระมังหนอมันเข้าทำนองรักพี่เสียดายน้องครั้นจะรักน้องก็เสียดายพี่จะเอาอยัางไงดีวุ้ยท่านพระครูแอบสำรวจความคิดของพระใหม่ เห็นกำลังฟุ้งซ่านนักจึงพูดขึ้นว่าเห็นไหมบัวเหี่ยวที่ฉันบอกเธอว่าครูใหญ่ต้องกลับมาที่วัดนี้อีกภายในเจ็ดวันก็กลับมาจริงๆแต่ลุงพ่อบอกว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนี่ครับพระใหม่ทักทวงคนเป็นครูใหญ่จึงพูดขึ้นว่าเป็นความจริงครับ ผมกำลังจะกราบเรียนหลวงพ่ออยู่พอดีพระอุบาชมองหน้าลูกศิษย์เหมือนจะบอกว่าเห็นไหมปวเหี่ยวที่ฉันพูดไว้นะ่ะผิดเส็นที่ไหนผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาให้ผมมีโชคครูใหญ่พูดพร้อมกับยกมือว่าอย่างนอบน้อมไม่เกี่ยวกับอาตมาหรอกโยมบางครั้งท่านก็เรียกครูใหญ่ว่าโยม มันเป็นโชคของโยมเองอาตมาเพียงแต่รู้เท่านั้นซึ่งความจริงแล้วไม่ว่าอาตมาจะรู้หรือไม่รู้โยมก็ต้องถูกอยู่ดีเพราะโยมทำกรรมมาอย่างนั้นเรื่องของกรรมใครทำใครได้ทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่ว ลูกศิษย์ของอาตมาคนหนึ่งเขาไม่เล่นหวยไม่เคยซื้อไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินหรือหวยรัฐบาลแต่เมื่อถึงคราวที่กรรมดีมาให้ผลเขากดหุกรางวัลที่หนึ่งเข้าจนได้เรื่องมีอยู่ว่าตาขี้เมาคนหนึ่งมาอ้อนวอนขายลอตเตอรี่ให้เขาเพื่อจะเอาเงินไปซื้อเหล้ากิน เขาบอกไม่ซื้อไม่ซื้อตานั่นก็เซาซีจนเขารำคาญเลยควักเงินให้ไปสิบบาทแล้วเอาลอตเตอรี่มาตกเย็นลอตเตอรี่ออกปรากฏว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมคนมีโชคอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้ตั้งห้าแสน เขาก็สำนึกถึงบุญคุณตาขี้เมาตั้งใจจะเอาเงินไปแบ่งให้บ้างพอไปตามหาถึงได้รู้ว่าหมอนั่นช็อกตายไปแล้วแกไปเที่ยวเรขขายจนจำเลขได้พอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเกิดความเสียดายเลยช็อก ท่านพระครูเล่าจบลูกสาวคนโตของครูใหญ่จึงถามขึ้นว่าแล้วแบบนี้คนที่ซื้อไปจะบาปไม่ค้าหลวงพ่อไม่บาปหรอกหนูเพราะเขาไม่ได้เจตนาแล้วจิตของเขาก็ไม่มีโลภะแต่ซื้อเพื่อตัดรำคาญผมว่าตาขี้เมาคนนั้นไม่มีโชคมากกว่าใช่ไหมครับหลวงพ่อ ลูกใหญ่ถามก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเงินมาอยู่ในมือแล้วยังเอามายัดเยียดให้คนอื่นพูดภาษาชาวบ้านก็ว่าดวงจะไม่ได้เงินใช้ยังคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งครับหลวงพ่อรายนี้ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันแกเอาเงินไปซื้อรถเก๋งแล้วก็ไปแต่งรองนางงามมาเป็นเมียน้อยทั้งที่เมียแกยังอยู่ด้วยกัน หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กับอบายามุกทั้งสุรานารีภาชีกีลาบัตรผลที่สุดก็เลยวิบัติคือถูกหวยได้ไม่ถึงเดือนก็ขับรถไปชนกับสิบล้อตายคาที่เลยครับใช้ชนะเล่านั่นแหละเขาเรียกว่าทุกขลาภเพราะเขาไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจว่า ที่ตนร่ำรวยขึ้นมานั้นเพราะกรรมดีมาให้ผลแทนที่จะสร้างกรรมดีเพื่อเติมเชื้อบุญต่อไปอีกกลับไปทำบาปคือประพฤติผิดศีลก็เลยต้องพบกับความหายนะท่านตาเห็นแสดงว่าคนที่มีเมียน้อยทุกคนจะต้องพบกับความหายนะใช่ไหมคะหลวงพ่อ คุณผ่องพักถามขึ้นก็คงอย่างนั้นหรือครูใหญ่ว่ายังไงข้อนั้นผมไม่ทราบครับทราบแต่ว่าแม่บ้านผมเธอเป็นโรคหึงครับที่ถามหลวงพ่อก็เพราะแรงหึงกลัวว่าผมจะมีเมียน้อยคนเป็นครูใหญ่ฟ้องไกลๆผู้หญิงเป็นโรคหึงทุกคนแหละโยมต่างกันแต่ว่า ใครจะมีอาการมากน้อยกว่ากันหลวงพ่อไม่ได้เป็นผู้หญิงและทราบได้ยังไงคะว่าผู้หญิงเป็นโรคหึงทุกคนพ่องพัน์ถามขึ้นก้อนหนูไม่ได้เป็นหลวงพ่อแล้วหนูทราบได้ยังไงลจะจ้าว่าหลวงพ่อไม่ทราบท่านพระครูถามยิ้มยิ้มหญิงสาวไม่รู้จะตอบประการใด จึงหันไปสบตากับหลวงพี่โบเหียวหวังให้ท่านช่วยคุณโยมคงได้เห็นหนอนะครับหลวงพ่อพระใหม่เอื้อนเอ่ยหมายจะช่วยคุณโยมทว่ากลับทําให้เธองุนงงนักขึ้นท่านพระครูเห็นว่าเรื่องจะไปกันใหญ่จึงวกกลับมาเข้าเรื่องเดิมตกลงครูใหญ่จะใช้ชีวิตแบบที่ลูกชายเล่ามาหรือเปล่าละ่ะน่าสนุก ดีเหมือนกันนะไม่รอกครับหลวงพ่อผมมันเข้าวัดเข้าวาเสร็จแล้วนี่ผมก็แบ่งสันปันส่วนกันมาเรียบร้อยบ้านเรามีห้าคนผมก็เอาห้าหารได้คนละแสนทีนี้ผมก็บอกพัญญาและลูกๆว่าหลวงพ่อรับนิมนต์ไปเทศ ต, ตามที่ต่างๆอยู่เสมอถ้ามีรถไว้ใช้สักคันก็จะสะดวกขึ้นผมก็เลยบอกจะซื้อรถตู้ถวายหลวงพ่อพวกเขา ก็ช่วยกันลงขันมาซื้อรถแล้วยังมีเงินเหลือสำรองเป็นค่าน้ำมันอีกสองหมื่นพูดจบก็ถวายเงินสดและทะเบียนรถพร้อมลูกกุญแจแด่ท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูรับประเคนแล้วให้ศีลให้พรตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติคนทั้งหมดรวมทั้งพระโบเฮียวต่างพากันอนุโมทนาสาธุการหลวงพ่อคงต้องหาคนขับรถสักคนแล้วล่ะครับ ครูใหญ่เสนอแนะก็มีแต่สมชายนี่แหละขับพอเป็นแล้วแต่ยังไม่มีใบขับขี่ไม่ยากรกครับหลวงพ่อใบขับขี่ต่างจังหวัดทําง่ายกว่าในกรุงเทพเพื่อนๆผมมีใบขับขี่กับทุกคนทั้งที่บางคนยังขับรถไม่เป็นด้วยซ้ำใช่ช น, นะออกความเห็นแต่แบบนั้นไม่ค่อยดีนะเจ้าคะ่ะ เพราะนอกจากจะไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นอีกด้วยวันวิไลเอ่ยขึ้นจริงค่ะหนูเห็นด้วยกับน้องวันอย่างเพื่อนหนูนะคะกำลังยืนพูดโทรศัพท์อยู่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งตั้งอยู่ริมถนนคนที่เขากำลังคุยด้วยก็คือหนูเองจู่ๆรถเก่งคันหนึ่งก็พุ่งเข้ามาชนโครมเพื่อนหนูคอขาดกระเด็นออกมานอกตู้ ซึ่งพังยับเยินกระจกแตกคนชนก็ถูกอัดก็ปี้ตายขาพุงเมาลายัยหนูก็แปลกใจว่าเอ๋กำลังคุยกันดีๆก็มีเสียงดังโครมแล้วก็เงียบหายไปเลยขับรถออกตามหาดีที่เขาบอกชื่อถนนไว้ตอนคุยกันพอหนูเห็นเพื่อนหนูแทบช็อกเลยค่ะตำรวจสอบสวนได้ความว่าผู้หญิงคนชนนั้นเพิ่งหัดขับรถแถมวันนั้นแกทะเลาะ ก, กับสามี เลยขโมยรถขับไปกินเหล้าพอเมาก็ประมาทขับเสเร็วเลยทำให้เพื่อนหนูพลอยเคราะห์ร้ายไปด้วยถ้าทางคนเหล่ายังไม่หายหวาดเสียวแต่พระใหม่กลับเพลิดเพลินกับเสียงใสๆของคุณโยมจนเผลอสติจ้องหน้าหล่อนไม่วางตาครั้นเมื่อหญิงสาวเล่าจบจึงถามเฉยๆออกมาว่าแล้วอย่างนี้จะเอาผิดกับใครล่ะครับหลวงพอ่อ เพราะคนทำผิดก็ตายไปแล้วอ้าวก็เอาผิดกับพระบูเหี้ยวน่ะสิท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยถ้าอย่างนั้นลุงพ่อก็อยุ่งแล้วล่ะครับเพราะทาพระลูกวัดถูกจับสมพานก็ต้องถูกสอบสวนด้วยคราวนี้คนเฉยทำเป็นรู้งั้นครูใหญ่ช่วยไปประกันตัวให้ด้วยก็แล้วกัน นหนว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันไม่ใช่หรือท่านพระครูโยนต์กลองไปที่ครูใหญ่ครับไม่เป็นไรผมประกันตัวให้หลวงพี่เองครูสริ์พลอยเออ อ, อหอมหมกด้วยแม้คุณก็หลวงพ่อท่านพูดเล่นๆคุณก็เอาเป็นจริงเป็นจังไปได้คุณผ่องพักปรามสามี คุณพ่อก็พูดเล่นๆนะคะคุณแม่วันวิไลแก้แทนบิดาพระโบเฮียวมีอันต้องคิดหนักว่าพี่น้องสองสีคู่นี้ใครเสียงหวานกว่ากันก็เลยตัดสินใจไม่ได้อีกครั้งกรณีของพื้นหนูก็ต้องโทษว่ากรรมใช่ั้มคะหลวงพ่อผ่องพันถามแน่นอนโดยเฉพาะคนขับนั้น เป็นกรรมประเภททิฏฐธรรมเวทนียกรรมคือกรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบันท่านตาเห็นการดื่มสุราถือว่าละเมิดศีลข้อร้ายแรงที่สุดในบรรดาศีห้าเพราะทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติเสร็จแล้วก็ละเมิดศีลข้ออื่นๆได้หมดอันนี้ แสดงให้เห็นว่าทําชั่วได้ชั่วท่านตาเห็นส่วนเพื่อนของหนูก็แสดงว่าต้องมีเวรมีกรรมเกี่ยวเนื่องกันมากับคนที่ชนคือมันต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลหนูลองคิดดูง่ายๆก็ได้ว่าทใไมถึงต้องเป็นเพื่อนของหนู ทำไมไม่เป็นคนอื่นเพราะคนใช้โทรศัพท์เครื่องนี้วันๆมีมากมายแต่ทำไมเขาไม่ถูกชนที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาจริงไหมล่ะจ๊ะท่านหันไปถามวันวิไลจริงเจ้าคะ่ะเหมือนอย่างคุณพ่อกับคุณแม่ คงเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาใช่ไหมเจ้าค้าหลวงพ่ออิงสาวถามหมายจะยุบบิดาและมารดาแน่นอนจะ้ะไม่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่หนูหรอกถึงหนูเองก็เถอะหลวงพ่อเห็นหมดแล้วว่าหนูจะต้องใช้เวรใช้กรรมกับคู่ของหนูมากกว่านี้อีกหลายเท่า ถึงดวงการศึกษาของหนูจะดีแต่ดวงคู่ครองค่อนข้างแย่หนูต้องอดทนมากๆถึงจะอยู่กันได้คู่ของหนูเขาเป็นคนเจ้าทิฐิใจร้อนพูดก็ไม่เพราะคือไม่เพราะแต่กับหนูแต่กับคนอื่นๆโดยเฉพาะสาวๆเขาพูดเพราะมากเชียวละ หนูก็เลยเป็นโรคหึงแล้วโรคนี้มันจะทรมานจิตใจหนูมากทีเดียวเมื่อรู้อย่างนี้แล้วหนูก็ไม่แต่งกับเขาสิเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่แต่งได้และดีดีมากมากเทียวละแต่ถึงเวลานั้นจริงๆริงหนูจะไม่คิดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้หนูจะมาหาหลวงพ่อ แล้วพูดว่าหลวงพ่อเจ้าคะหนูไม่ได้รักเขาหรอกเจ้าคะแต่หนูสงสารเขาถึงได้ยอมแต่งงานด้วยจริงๆนะเจ้าคะท่านพูดเรียนเสียงวันวิไลทําให้คนอื่นๆพากันหัวเราะรวมทั้งหญิงสาวที่ชื่อวันวิไลด้วยแล้วเขาเจ้าชู้ไหมเจ้าคะหลวงพอ่อหล่อนถามอีก จะว่าเจ้าชู้ก็คงใช่ผู้ชายที่พูดหวานๆนะ่ะผู้หญิงชอบใช่ไหมนี่แหละสาวแก่แม่ไม่ตอมกันหึงเทียวละ่ะแม้หนูชักใจไม่ดีแล้วสิเจ้าคะหนูเชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดจะต้องเกิดขึ้นกับหนูจริงๆเห็นคุณพ่อบอกว่าหลวงพ่อได้ที่พยาจักษุ กับเจโตปริยญาณประโยคหลังหล่อนพูดตามหลักวิชาที่เคยเรียนจริงหรือไม่จริงหนูคอยดูไปก็แล้วกันอีกแปดปีก็จะรู้ถ้าไม่จริงมาต่อว่าลงพ่อได้พระโมยวแอบคิดในใจว่าเอเนื้อคู่ของคุณโยมจะใช่เราหรือเปล่าหนอ้อ ก็พอดีกับหญิงสาวถามขึ้นว่าแล้วตอนนี้เจอกันหรื อ, อยังเจ้าคะพระใหม่ตั้งใจฟังเต็มที่หากก็ต้องผิดหวังเมื่อท่านพระครูตอบว่าเดินผ่านกันไปผ่านกันมาหลายครั้งแล้วในมหาวิทยาลายัยแต่ยังไม่เคยพูดกันเขาไม่สนใจหนูหรอกเพราะเขามีคู่รักอยู่แล้ว ต้องชดใช้กรรมกับคนนั้นก่อนแล้วจึงมาเจอกับหนูแล้วตอนนี้เขาแต่งงานกันหรื อ, อยังเจ้าคะ่ะยังอีกสองปีถึงจะแต่งแต่งแล้วก็หย่ากันในปีนั้นผู้หญิงเขาใจเด็ดทิ้งลูกทิ้งผัวไปอยู่กับชายอื่นคู่ของหนูก็เลยต้องเป็นพ่อแม่ลูกติดก็ดีสิเจ้าคะ หนูจะได้ไม่ต้องมีลูกของตัวเองลูกเขาก็เหมือนลูกเราจริงไหมคะพี่พอ่องหล่นหันไปถามพี่สาวพอถึงเวลานั้นจริงๆมันไม่เป็นอย่างที่หนูคิดหนูหวังไว้หรอกจะ้ะจำคำพูดของหลวงพ่อไว้นะจะ๊ะคุณด็อกเตอร์ว่าหนูนะ่ะจะต้องน้ำตาเช็ดหัวเขา่าเพราะสามี หัวเข่าใครเจ้าค่ะหลวงพ่อของหนูหรือของเขาหญิงสาวกลับมีอารมณ์ขันเพราะไม่เคยจริงจังกับชีวิตแต่เล็กจนโตหล่อนได้รับความรักความอบอุ่นมาโดยตลอดทั้งคนในครอบครัวทั้งเพื่อนฝูงต่างรักใคร่หล่อนกันทุกคนชีวิตของวันวิไลจึงยังไม่รู้จักกับคำว่าทุกข์ทั้งยังไม่เคยคิดว่าจะต้องพบผ่านหล่อนไม่รู้ดอกว่าความร่าเริงน่ารัก และมองโลกในแง่ดีอันเป็นคุณสมบัติประจําตัวหล่อนนั้นอีก8ปดปีมันจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยนอกจากจะไม่เหลือแล้วมันยังเปลี่ยนเป็นคุณสมบัติที่ตรงข้ามตรงข้ามโดยสิ้นเชิงอีก8ดปีหล่อนจะต้องมานั่งร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าพระภิกษุรูปนี้หล่อนไม่รู้แต่ท่านพระครูท่านรู้ ก็แล้วแต่จังหวัดจ้ะหัวเข่าหนูน่ะแน่ๆอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนโชคร้ายหน่อยก็จะเป็นหัวเขา่าเขาทำหัวเราะไปเถอะแล้วหลวงพ่อจะคอยดูถึงขนาดนั้นเชิยวหรือคะหลวงพอ่อคุณผ่องพักรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวคนเล็กก็เขาทำกันมาอย่างนั้นนี่โยมท่านพระครูต คนมีการศึกษาเขาจะทำกันถึงขนาดนั้นเชียวหรือคะหลวงพ่อเธอคัดคา้านการศึกษาไม่เกี่ยวรอกโยมที่อาตมาเห็นเห็นมาน่ะขนาดจบปริญญาโทรปริญญาเอกยังเตะกันตกบ้านไม่รู้กี่คู่ต่อกี่คู่คราวนี้มารดาของวันวิไลนั่งเงียบกริบนึกสงสารบุตรสาว ที่จะต้องมารับกรรมทั้งที่อะไรอะไรก็ดีมาโดยตลอดท่านพระครูรู้จึงพูดปลอบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกโยมขอให้ถือเสียว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอาตมาเองก็ชดใช้กรรมมามากต่อมากหนักกว่าลูกสาวโยมหลายเท่านักคิดเสียว่า ใช้ใช้กันไปให้หมดจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันอีกนี่ฉันห่วงลูกสาวนะคะห่วงเขาทำไมกันเล่ากรรมใครใครก็ใช้แต่ไม่นานหรอกโยม17เจปีหลังจากแต่งงานเขาก็จะสบายเพราะผู้ชายคนนั้น เขาจะไปใช้กรรมกับหญิงอื่นต่อไปอีกตามนิสัยคนเจ้าชู้ที่ต้องมาพบกับหนูก็เพราะกรรมเก่าทำกับเขาไว้มากนี่นะท่านหันไปทางวันวิไลเห็นกฎแห่งกรรมของหล่อนอย่างทั่วทั่วทว่าเจ้าตัวกลับไม่รู้ไม่เห็นกรรมของตัวเองฟังเขาคุยกันแล้วพระโบหิวจึงรู้ว่า คู่ของวันวิไลไม่ใช่ท่านภิกษุหนุ่มจึงย้ายความหวังไปไว้ที่คนเป็นพี่สาวของหลอนพอดีกับที่ผ่องพันถามขึ้นว่าหลวงพ่อคะแล้วหนูพบเนื้อคู่หรือยังคะพระใหม่ใจเต้น ร, ริรฐกด้วยหวังจะได้ยินคําตอบว่าพบแล้วจะัะตอนนี้ยังบวชเป็นพระอยู่ใจแทบหยุดเต้นเมื่อท่านพระครูตอบว่า จะมีเนื้อคู่สักกี่คนกันละจ๊ะก็เพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองรถคันที่ขับมาก็ไม่ใช่ที่สามีเขาซื้อให้หรือจ๊ะพระบุเฮียวหน้าซีดลงทันใดความรู้สึกว่าหวิวคล้ายจะเป็นลมเพราะต้องพบกับความผิดหวังถึงสองครั้งสองคราติดติดกันใจหนึ่งท่านพระครูอยากจะสมน้าหน้า แต่อีกใจก็นึกสงสารจึงพูดเป็นเชิงปลอบโยนว่าแต่บางคนก็โชคดีที่เกิดมาไม่มีเนื้อคู่ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมกับใครอย่างพระโบเหียวนี้ดวงจะต้องบวชตลอดชีวิตจะมีความสุขกว่าคนครองชีวิตคู่ผมขออนุโมทนาด้วยครับ ครูใหญ่ยกมือขึ้นสาธุแล้วพูดต่ออีกว่าบุญของท่านเหลือเกินที่ไม่ต้องมารับผิดชอบชีวิตใครๆผมเข็ดแล้วกว่าลูกจะโตจะเรียนจบผมลำบากเลือดตาแทบกระเด็นถ้ากลับไปเป็นโสดได้อีกครั้งผมจะขอบวชไปจนตลอดชีวิตภิกษุหนุ่มฟังสิทธิอาวุโสของท่านพูดแล้วก็มีกำลังใจขึ้นพระอุบาชารู้จึงเสริมอีกว่า ถ้าชีวิตการคลองเรือนให้ความสุขได้จริงเจ้าชายสิทธัตถะก็คงไม่สละราชสมบัติออกพนวดหรอกอยากรู้ไม่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นดิ้วอาตมาจะหาหลักฐานใหม่ยืนยันท่านลุกขึ้นเดินไปที่ตู้พระไตรปิฎกหยิบเล่มที่ต้องการออกมาแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิม นี่พระพุทธองค์ทรงแสดงโทษของกามไว้ในเล่มนี้พูดพลางส่งคัมภีร์เล่มนั้นให้ครูใหญ่และบอกให้เปิดไปที่หน้า360ไหนลองอ่านขักควิสนาสุตตนิเทศตั้งแต่ข้อ764ถึง766ให้พักพวกฟังสิ ครูสริษจึงต้องอ่านด้วยเสียงที่ทุกคนได้ยินทั่วกันว่าข้อ764รกามนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยมีทุกข์มากบุคคลผู้มีปัญญารู้ว่ากามนี้เป็นดังฝีดังนี้แล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดฉะนั้นข้อ765ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สุคสมมนัตใดอาศัยกรรมคุณห้าประการนี้เกิดขึ้นสุขสมมนัตนั้นแหลเรากล่าวว่ากรามสุขกรมสุขนี้มีน้อยกรรมสุขนี้เลวกรรมสุขนี้ลามกกรรมสุขนี้ให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากรามนี้เป็นเครื่องคล้องมีความสุขน้อยข้อ766ดคำว่ากรมนี้ มีความยินดีน้อยมีความทุกขมากกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีความยินดีน้อยมีทุกมากมีความคับแค้นมากมีโทษมากกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสเหมือนโครงกระดูกเหมือนชิ้นเนื้อเหมือนคบเพลิงเหมือนหลุมฐ่านเพลิงเหมือนความฝันเหมือนของที่ยืมเข้ามาเหมือนผลไม้ เหมือนดาบและสุนัขไล่เนื้อเหมือนหอกและเหลาวเหมือนศีรษะงูเหา่ามีทุกมากมีความยินดีน้อยมีความขับแคนมากมีโทษมากเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากามนี้มีความยินดีน้อยมีทุกมากครูใหญ่อ่านจบท่านพระครูจึงถามขึ้นว่าเป็นยังไงทราบซึ้งหรื อ, อยัง เห็นแล้วที่ไม่ว่าเป็นพระนั้นได้เปรียบกว่าเป็นครวาสเป็นไหนไหนแม้หนูชักอิจฉาหลวงพ่อกับหลวงพี่แล้วสิเจ้าคะถ้าหนูเป็นผู้ชายคงต้องขอบวชแน่ๆเลยวันวิไลพูดขึ้นหล่อนเป็นคนอ่อนไหวง่ายจึงซาบซึ้งและซึมซับอะไรอะไรได้รวดเร็วกว่าคนอื่นๆ เป็นผู้หญิงก็บวชได้คือบวชใจยังไงละ่ะบ้างคนกายบวชแต่ใจไม่ได้บวชเช่นพวกที่อาศัยผ้าเหลืองหากินคนพวกนี้เขาเรียกว่าตัวเป็นพระแต่ใจเป็นมารบวชใจทำยังไงคะหลวงพ่อถามอย่างสนใจ ก็เจริญสติปัฏฐานสเหมือนที่คุณพ่อหนูเข้ามาปฏิบัตินั่นยังไงล่ะถ้าเช่นนั้นปิดเทอมหน้าหนูจะมาอยู่วัดสักเจ็ดวันนะคะคุณพ่อหล่อนบอกวิดาดีแล้วลูกเพื่อกำมันจะได้เบาบางลงครูใหญ่สนับสนุนหลวงพ่อคะแล้วชีวิตครอบครัวของหนูจะดีไหมคะพองพันถามขึ้นบ้าง ฟังเรื่องราวของน้องสาวแล้วหล่อนพลอยใจไม่ดีไปด้วยวันวิไลทั้งสวยทั้งเก่งไม่น่าจะต้องมีกรรมอะไรนักหนาดีจ้ะตอนนี้ดีเพราะกำลังเข้าใหม่ปลามันแต่ต่อไปแย่หน่อยเพราะสามีเขาจะเลี้ยงหนูด้วยลำแข้งชนิดสี่โครงเนบข้างฝาเทียวละ รู้สึกจะหนักกว่ารายน้องสาวด้วยซ้ำเพราะสามีหนูเขาเจ้าชู้พอไปเจอคนใหม่ก็เบื่อคนเก่าท่านพระครูบอกไปตามที่ได้เห็นกฎแห่งกรรมของสองพี่น้องลูกสาวดิฉันโชคร้ายทั้งสองคนเลยหรือคะหลวงพ่อคุณผ่องพักถามรู้สึกหดหูเศร้าหมองด้วยสงสารลูก อย่าไปคิดอะไรมากเลยโยมทุกคนมีกรรมเป็นของตนเรื่องของกรรมเก่าก็ต้องชดใช้กันไปอย่าไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกก็แล้วกันชีวิตการคลองเรือนก็เป็นอย่างนี้สุขบ้างทุกบ้างปะปนกันไปลุงพ่อคะแล้วหนูพอจะมีทางทำให้กรรมเบาบางลงบ้างไหมคะ พ่องพันถามหล่อนเริ่มวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจะ ก, กังวลล่วงหน้าไปทำไมล่ะหนูอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราต้องกล้ า, ผาเผชิญกับความจริงการจะให้การรเบาบางลงมีวิธีเดียวคือมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้สักเจ็ดวันเป็นอย่างน้อย สามีหนูไม่ยอมให้มาแน่ๆค่ะตั้งเจ็ดวันนี่หนูขอมาหาคุณพ่อคุณแม่วันเดียวเขายังไม่พอใจใช่สิจะ๊ะก็กำลังรักอยู่นี่เขาไม่อยากให้คลาดสายตาสักเวลานาทีเอาเถอะแล้วหนูจะได้มาอยู่วัดตอนที่เขาเบื่อหนูแล้วถึงเวลานั้นหลวงพ่อคงจะช่วยแนะนำได้บ้าง หนูต้องกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะพูดจบจึงก้มลงกราบสามครั้งเป็นการฝักเนื้อฝักตัวคุยกันอีกพักใหญ่คนทั้งห้าจึงลากลับท่านพระครูย้ำเตือนสตรีทั้งสองว่าอย่าลืมมาเข้ากรรมฐานนะหนูนะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ที่ลุงพ่อบอกก็เพื่อจะให้หนู ตั้งสติได้เมื่อพบกับเหตุการณ์อย่างนั้นจะได้ไม่ตกใจเกินไปอย่าลืมว่าใช้ใช้ให้หมดกันไปเสียแล้วก็อย่าไปสร้างกรรมใหม่ท่านจำเป็นต้องบอกต้องพูดเพราะคนส่วนมากเมื่อประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ต่างพลุนผลันพากันฆ่าตัวตายบ้างฆ่าคนที่ทำให้ตัวเองเจ็บช้ำบ้างโดยคิดว่า เป็นทางหนีทุกข์แต่ข้อเท็จจริงนั้นนอกจากจะหนีทุกข์ไปไม่ได้แล้วยังทำให้เพิ่มทุกข์ผูกเวรกันหนักขึ้นไปอีกจำไว้นะหนูนะท่านย้ำเตือนอีกครั้งเจ้าค่ะค่ะสตรีทั้งสองรับคำพร้อมกับก้มลงกราบท่านพระครูและหลวงพี่โบเหียรแล้วจึงเดินไปยังลานจอดรถที่บิดามารดา และน้องชายรออยู่